ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาคารังเอวะเมวายโตทินนางเปตานางอุปกับปติอิจิตังปทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัภพปูเรนตุสังบปาจันโทปนารสุยะถามณิโชติระสยยาทา สิโยวิวาัชนตุสาปารโควินาสตุมัเตมภาวนวันตารโยสุขิทิคายุโกภาวาพิวาธนาสีเลิสานิ จางวัธาป้าใจ ย, ยินโอจัดตาโรยธรรมาวัดทานติอา ย, อยุวันน้สุขังบาลากะุเวประสานนางอากางธรรมวิช า, าตาง อาเกะโเถปสันนานังดาคินะเกอนุตเรอาเกะธรมเกะสันนานังววรางูปัสเมสุเขอาเกสังเขปสันนานังปุญญาเกเตอนุตระเร อากาศสมิงรานางราดาตังอากลางคุณยังปวัตติอากางอายุวิวันโอใจยาโสกิติสุขังบาลังอากาศดาตาเมธาวีอากาธรรมมาสมัยโต เดวะผพ้ตมนุษสวากัปปตปวปโมติติพวตุสัพมังกาลังราคันตุสัพเนวตาสัมบุทธานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเต ภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามาธถมานุภาเวนะสาดาโสติภวันตุเตภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตา สัมมาสังขานุภาเวนะสัดาโสติปาวันตุเต